ทำให้เกิดปัญญาได้สมาธิอีกหลายอย่างไม่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นธรรมะพื้นๆเกิดร่วมกับจิตทุกชนิดจิตทุกดวงจิตในนรกจิตของสัตว์นรกก็ยังมีสมาธิสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกทุกดวงจะฆ่าคนต้องมีสมาธิไหมจะขโมยต้องมีสมาธิไหมต้องมีทั้งหมดเลยนะ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 ถ้าจะขึ้นวิปัสสนาต้อขึ้นอุดทะยัพ ย, ายาัญญาณคนละตัวกันนะอุททะยัพยัญญาณ น, นั้นเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมานี่ถึงจะแสดงไตรลักษณ์ของรูปนามจริงๆดูของจริงนะดูของจริงในกายดูยากนะรูปมันายุยืนดูของจริงในใจนะีดูง่ายสุขก็แป๊บเดียวทุกข์ก็แป๊บเดียวใช่ไหมโลภโกรธหลงก็แป๊บเดียวอะไรก็แป๊บเดียวในใจเราเนี่ย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 ธรรมมาของท่านเถียงไม่ออกอะ่ะนเถียงไม่ออกเอาต่อไปเชิญส่งกันบ้านถ้าไม่จําเป็นก็อย่าส่งหลวงพ่อคะอกิเลสเยอะเหลือเกินคะ่ะขนาดมาฟังทำกิเลสก็พามาอมกิเลสพาให้ทําความดีได้ด้วยหรอได้ได้อกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้ กูศนะนเป็นปัจจัยของอากูศนก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นจิตเราจะพลิกแปลงตลอดเลยเดี๋ยวเขาเป็นกูศนเดี๋ยว เ, เป็นอากูศลอย่างเราเห็นคนลำบากเรามีความสงสารเมตตานะให้คําแนะนําว่าอย่าทำอย่างนี้สิเขาถ้าไม่ทํานะโกรธเลยนะยกูศนเป็นปัจจัยของอกูศลก็ได้อากูศนเป็นปัจจัยของกูศนก็ได้อยากจะพ้นทุกข์นะอยากดีอยากโน่อนอยากนี่อยากดีๆีเลยลงมือปฏิบัติทํากูศล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 จนใจเขาพอแต่ต้องรู้ด้วยใจที่กระปรีก้กระเป๋า<ม>บางทีรู้ไปเรื่อยแล้วใจมันเฉื่อยไป ม, มันเหนื่อยอย่างนี้ไม่ดีคนะวิธีทําให้ใจกระปรีก้กระเป๋าก็คือหาภาษามาทีภาษาที่เฉียบขาดรุนแรงก็คือการคุยกับหลวงพอ่อ <c oughs> ใจช่วยเฉ่ยเหนื่อยเนื่อยแล้วนะมาคุยกับหลวงพ่อไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยไม่ไหวให้อักีพขึ้นมาก็มันก็รู้สึกว่า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 ตอนนี้ปฏิบัติตามร่องตามรอยไหมคะมคือแต่ก่อนนี้เคยมีโทสะเกิดแล้วก็เห็นโทสะแล้วต่อมาจะเห็นตัวสังขารปรงแต่งว่าทำให้เกิดโทธิโทสะอตอนนี้สั้นลงมาหน่อยก็คือจะเห็นสัญญาบ่อยขึ้นคะ่ะแล้วก็ตัวปรงแต่งก็จะน้อยลงอะไร อ, อย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองอ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 มีสัญญาผุดขึ้นมามีเวทนาทํางานมีสัญญาทํางานแล้วสังขารทํางานอพอมีผัสสะก็เวทนาเกิดสัญญาตีความนะสังขารปรุงจิตเท่เสวยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วมีอีกอย่างค่ะเวลามเีเวทนาปวดเมื่อยมีเจ็บตับเนื้อตามตัวอะไรอย่างเงี้ยคะก็คอยคอยเตือนบอกว่าเอ้ยถอยออกว่าดูถอยออกไป ด, อออดูแต่ก็ยื่นิท จะโล่งขึ้นแต่ก็ยังคงแบบเป็นการตั้งไม่เป็นไรเบิ้อต้นตั้งใจอย่างนั้นก่อนได้ดีแล้วล่ะฝึกไปเรื่อยนะให้ใจเป็นคนรู้คนดูดีแล้วล่ะกล่าวนามสการค่ะมีอยู่วันเนึ้งค่ะเดินจงกรมแล้วปกติจะดูความคิดที่มันไหลไปค่ะดูทันมันบ้างเผลอไปตามันบ้างแต่ว่า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 <น>ไม่ศราว่าเป็นเพราะว่ามันคิดมากปัญญาล้ำหรือว่าอะไรประคะหลวงพ่อไปทําตอนไหนนั่งสมาธิก่อนนอนน ะ, ะอมันใกล้หลับแล้วมันเหนื่อยเต็มทีแล้วนะอเอาอย่างหลวงพ่อสิตื่นขึ้นมาก็ทําซะก่อนตื่นให้ไวๆนิดนึงค่ะนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้พอนากันเก่งๆ เ, งเงยอะนะทัดขันแยกนี่เป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้